บทที่สามสิบเจ็ดความพลัดพรากสองพระโบเฮียวไปจากวัดป่ามะม่วงแล้วท่านพระครูรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปอย่างหนึ่งต่อแตนี้ไปจะไม่มีใครมาต่อล้อต่อเทียงด้วยสำนวนเรียบเรียบซื่อ ที่ฟังแล้วทำให้สบายใจหายเหนื่อยท่านคงต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีใครมาช่วยสอนกรรมฐานญาติโยมผู้ใครในรทมพากันมาปฏิบัติมากขึ้นทุกวันจนหอประชุมจเจริญชยัยไม่มีเวลาพักผ่อนหากเป็นสิ่งที่มีชีวิตและนึกคิดได้ก็คงจะอธิษฐานจิตไม่คิดมาเกิดเป็นหอประชุมอีก ส่วนศาลาไม้สักหลังเก่าค่อนข้างทรุดโทรมแล้วนั้นก็ยังใช้เป็นที่พักของนักปฏิบัติธรรมซึ่งมาจากทุกสานุทิปแต่ถึงจะมากันเป็นจำนวนมากมายเพียงใดท่านก็สงเคราะห์พวกเขาอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องทั้งเรื่องข้าวปลาอาหารและที่พักท่านได้ให้สัญญากับพญายมราชไว้แล้วว่าชีวิตที่เหลือจะขอใช้นิมนย์ให้หมด และพญายมราชก็ยอมรับสัญญาโดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องทำบุญต่ออายุทุกปีในวันที่14ตุลาคมซึ่งท่านก็จะได้ทำติดต่อกันมา4ปีแล้วและจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพญายมราชจะสั่งให้ยุติสัญญาเวลา5ทุ่มท่านพระครูเดินกลับกุฏิที่พักหลังจากสอนกรรมฐานเสร็จท่านจัดการสงน้ำ คลองผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ดังที่เคยปฏิบัติทุกค่าคืนไม่ว่าจะดึกเดินแค่ไหนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดท่านก็ไม่เคยละไม่เคยละเลยวัดปฏิบัติที่ได้กระทําติดต่อกันมาตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วก็จะปฏิบัติต่อไปจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงจากนั้น จึงเตรียมตัวจังวัดอย่าเพิ่งเจ้าค่ะเราสองตนจะขอกราบลาหลวงพ่อเจ้าค่ะนารีผลสองตนในชุดปัญจาวีสีสดสวยนั่งประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าจะลาไปไหนอีกล่ะไปนานเท่าไรท่านถามไปป่าหิมะพานบ้านเกิดแล้วก็จะไม่กลับมาอีกเจ้าค่ะ สองดารุณีตอบพร้อมเพียงกันทำไมถึงไม่กลับละ่ะอยู่ที่นี่ไม่สะดวกสบายอย่างนั้นหรือสะดวกสบายดีทุกอย่างเจ้าค่ะดารุณีสองตนตอบแล้วจะไปเสียทําไมละ่ะอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อก่อนสินี่พระบัวเหี่ยงก็ไปคนหนึ่งแล้วเราสองตนยังจะไปอีกหรืออันที่จริงเราก็ไม่อยากไปจากหลวงพ่อหรอกเจ้าค่ะ บุคคลเช่นหลวงพ่อหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้เราได้อาศัยไบบุญของหลวงพ่อทำให้เจริญปัญญามาทำลายอาวิชชาไปได้เป็นบางส่วนและคิดว่าจะอยู่ต่อไปก็คงจะได้ดวงตาเห็นธรรมกับเข้าบ้างแต่ที่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่อยากย้ายที่อยู่ไปที่อื่นอยู่กับบุคคลที่มีศีลไม่เสมอกับ หลวงพ่อศีลในที่นี้หมายถึงสิกขาบท2อง้อย่เ็ดข้อนะเจ้าค่ะไม่อยากย้ายก็ไม่ต้องย้ายสิหลวงพ่อไม่ได้บังคับนี่นาะเราไม่อยากย้ายแต่ต้องย้ายเจ้าค่ะเราก็เลยต้องกลับไปอยู่ป่าหิ ม, มพานอันเป็นถิ่นกำเนิดของเราทำไมต้องต้องย้ายไหนลองขยายความให้หลวงพ่อฟังหน่อยสิ นารีผลจึงกราบเรียนว่าพรุ่งนี้พระสัมฤทธิ์จะมาขอเราคืนเขาเข้าใจผิดคิดว่าที่วัดหลวงพ่อจเจริญรุ่งเรืองมีคนมาทำบุญมากเพราะเราสองตนก็เลยจะมาขอเราคืนไปจากหลวงพ่อเพื่อไปอยู่ที่วัดของเขาทำไมเรียกว่กเขาทาไมไม่เรียกท่านท่านเป็นพระไม่ใช่หรือผู้เป็นบรรพจิตทักทวง เรียกเขาก็เหมาะสมกับพฤติกรรมของเขาแล้วเจ้าค่ะพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรศีลไม่บริสุทธิ์เป็นพระแต่ดื่มสุราบวชบวชศึกศึกไม่เป็นเรื่องเป็นราวเขาไม่เหมือนหลวงพ่อของเขาเรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นใช่ไม่ได้เราไม่ต้องการอยู่กับคนประเภทนี้พรุ่งนี้เขาจะมาเอาร่างของเราไป เราก็จะลาหลวงพ่อกลับป่าหิมะพาในคืนนี้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็เห็นความจำเป็นที่เราสองตนต้องไปเพราะเราเป็นสมบัติของสมภารตุซึ่งเป็นหลวงพ่อของพระสังริษเมื่อท่านจะเอาคืนหลวงพ่อก็ต้องคืนให้ท่านไปเอาละไหนไหนก็จะจากกันแล้วหลวงพ่อขอถามให้หายข้องใจหน่อยว่าเราสองคนเป็นอะไรกันแน่ ก็เป็นนารีผลอย่างที่หลวงพ่อทราบนั่นแหละเจ้าค่ะหรือว่าจะเรียกมักการีผลหรือมัคคาลีผลก็ได้หลวงพ่อไม่น่าถามแปลกๆอย่างนี้เลยนะเจ้าค่ะข้อนั้นรู้แล้วแต่หลวงพ่ออยากรู้ว่าเราเป็นเทพชั้นไหนชั้นจตุมหาราชิกาหรือว่าภุ ม, มเทวดาเราตอบไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่พระอินเนรมิตขึ้นมาเมื่อสามหมื่นปีแล้วเนรมิตขึ้นมาพร้อมๆกับบรรณาศาลาเพื่อให้พระเวสสันดร อ, อาศัยเป็นที่บำเพ็ญบารมีตอนนี้บรรณาศาลากับต้นนารีผลยังอยู่ที่ป่าหิมพานหรือเปล่าท่านถามเพื่อลองภูมินารีผลว่าจะรู้อย่างที่พระสิงหนรูปนั้นรู้หรือไม่ยังอยู่ครบเจ้าค่ะ เหลืออีกสองพันกว่าปีก็จะไม่มีแล้วทำไมถึงไม่มีล่ะเพราะหมดอายุของพระโคตามาพุทธเจ้าแล้วต่อไปก็จะเป็นยุค ข, ของพระเมตยะพุทธเจ้าที่คนทั่วไปเรียกว่าพระศรีอารและตอนนี้พระเวสสันดรยังอยู่ที่ป่าหิ ม, มาพานต์ไ้ยท่านลองภูิอีก หลวงพ่อทราบทุกอย่างแต่แกล้งลองภูมิพวกเราเราจะไม่ตอบคำถามหลวงพ่อแล้วขอลา น, นะเจ้าคะ่ะหากเราทำอะไรที่ไม่สมควรก็ขอโอโหสิกรรมด้วยพูดจบก็กราบ ง, งามๆสามครั้งแล้วก็หายวับไปท่านพระครูดูสิ่งที่อยู่ในพานแล้วรำพึงเบาๆว่ า, วาไปดีนะพบเพื่อจาก พรุ่งนี้ก็จะย้ายกันไปอยู่วัดอื่นแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบใจที่ทำให้หลวงพ่อหายขลองใจแล้วก็เชื่อว่าหน้ารีพลมีอยู่จริงอย่างน้อยก็จะได้นำไปเล่าให้คนรุ่นหลังฟังส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเขาจากนั้นท่านก็จำวัดจะตื่นอีกครั้งเวลาตีสามเพื่อเตรียมลงโบสถ์ เวลาตีสามครึ่งเนื่องจากเป็นวันอุโบสถสายวันรุ่งขึ้นพระสมฤทธิ์ก็มาหาท่านพระครูที่กุติบอกความประสงค์ว่าจะข อ, อนารีผลที่หลวงพ่อของตนฝากไว้ก่อนที่จะมรณภาพพระหนุมคิดว่านารีผลจะช่วยให้วัดที่ตนจำพรรษาร่ำรวยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านก็จะศึกออกมามีเมียมใหม่ ท่านถูกเมียทิ้งจึงต้องมาบวชถ้ามีเงินมีทองไม่ถูกทิ้งอีกท่านพระครูไม่พูดว่าอะไรมอบพานายนารีผลให้ภิกษุหนุ่มไปแต่โดยดีเพราะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในพานนั้นเป็นเพียงซากเศษไม้เก่าๆส่วนเจ้าของได้กลับไปอยู่ที่ป่าหิ ม, มาพานอันเป็นถิ่นกําเนิดของเขาแล้วพระสรัมฤทธิ์รู้สึกผิดคาดที่เห็นท่าน รักครูคืนมรดกของหลวงพ่อให้ท่านโดยดีท่านคิดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงจะไม่ยอมคืนให้เสีอีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับท่านโทษฐานช่อบโกมพิสษุ์หนุ่มลืมไปว่าที่เติบโตมาเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เป็นอยู่ก็เพราะได้รับการเลี้ยงดูจากสมภารวัดป่ามะม่วงรูปนี้วัดหลวงพ่อรวยแล้ว ปเปลี่ยนให้วัดผมรวยบ้างพูดเหมือนจะแสดงว่าเกรงใจท่านพระครูภิกษุอาวุโสกว่าไม่ได้พูดว่ากะไรเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรนารีผลเองก็รู้แต่ภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเท่านั้นที่ไม่รู้คลั้นจะบอกไปตามจริงภิกษุรูปนี้ก็จะไม่เชื่อและจะคิดอกุศลว่า ท่านมีจิตริษยาไม่อยากให้วัดอื่นร่ำรวยเหมือนวัดป่ามะม่วงด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่พูดว่ากะไรภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าเห็นท่านไม่พูดอะไรก็คิดว่าท่านคงเสียใจแล้วก็เสียดายนารีผลจึงรีบลากลับเพราะเกรงว่าท่านพระครูจะเปลี่ยนใจไม่ยอมคืนสิ่ง น, นี้ให้ในายขุนทองได้บวชในพรรษานั้น บวชแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเกร่งกรัดท่านพระครูรู้สึกพอใจที่หลานชายเปลี่ยนพฤติกรรมได้และถ้าเขาปฏิบัติจนได้ธรรมจักสุก็จะไม่ต้องเกิดเป็นผู้หญิงอีกห้าร้อยชาติเพราะอย่างมากก็จะเกิดอีกเจดชาติเท่านั้นนายสมชายเองก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจที่นายขุนทองซึ่งบัดนี้กลายเป็นหลวงพี่ขุนทองเป็นผู้ชายเต็มตัว เพราะกริยากระตุ้งกระติ้งเช่นแต่ก่อนหายไปแต่ก็เสียใจนิดๆที่ต่อไปนี้จะไม่มีคนมากวนประสาทให้เขามีเรื่องถกเถียงแก้กลุ่มคิดดูอีกทีเขาก็รู้สึกเหงาปากอยู่เหมือนกันหลวงพี่บัวเฮียวก็จากไปไม่มีใครมาเทศนอกธรร ม, มาธให้เขาได้ฟังอีกหลวงพี่ขุนทองก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัต ไม่เปิดโอกาสให้เขาสนทนาธรรมด้วยครั้นจะต่อล้อต่อเถียงกับท่านพระครูท่านก็ไม่เล่นด้วยตั้งแต่หลวงพี่บัวเหียวไปหลวงพ่อของเขาก็ดูเงียบขรึมลงไปมากคงจะคิดถึงหลวงพี่บัวเหียวกระมังนะับตั้งแต่นารีผลไปจากวัดป่ามะม่วงแล้วท่านพระครูก็ไม่ได้เทศเรื่องนารีผลอีกเพราะหากคนฟังต้องการดูหลักฐาน ท่านก็จะไม่มีหลักฐานให้เขาดูกระนั้นก็ยังมีญาติโยมพากันมาขอดูนารีผลที่วัดป่ามะม่วงอยู่เนืองๆปากต่อปากเล่าลือกันไปจนกลายเป็นว่าต้นไม้วัดป่ามะม่วงออกลูกเป็นคนท่านพระครูต้องทําหน้าที่แก้ข่าวครั้งแล้วครั้งเล่าจนคร้านที่จะแก้แต่ดูเหมือนว่ายิ่งแก้ก็ยิ่งมีคนสนใจช่วยแพร่ข่าวให้ขยายวงกว้างออกไปอีกจนท่านต้องวางอุเบกขา วันหนึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ที่อยู่ไกลถึงลําพูนให้ไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่นอกจากเจ้าอาวาสแล้วเขายัางนิมนต์พระมหาบุญกับพระบูเหียวด้วยโดยนั่งรถเบนซ์มีคนขับมารับท่านถึงวัดพระบูเหียวท่านไม่ได้ยูวัดนี้แล้วท่านบอกลูกศิษย์ผู้ซึ่งจู่จูก็มานิมนต์ โดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนท่านย้ายไปอยู่วัดไหนหรืครับหากใกล้ๆแถวนี้ผมจะได้ไปนิมนต์พ่อเลี้ยงเมืองลำพูนถามอาตมาก็ไม่ทราบว่าท่านไปอยู่วัดไหนท่านบอกแต่เพียงว่าจะกลับไปสร้างวัดที่จังหวัดกาลสินตำบลอะไรอำเภออะไรหลวงพ่อทราบไหมครับเขาถามอีกอันนี้อัตมาก็ไม่ทราบ แต่ถึงทราบก็คิดว่าโยมคงไปนิมนต์ไม่ทันเพราะพรุ่งนี้จะมีงานแล้วไม่ใช่หรือครับผมก็ไม่ได้คิดว่าจะนิมนต์ท่านไปงานนี้เพียงแต่อยากทราบว่าท่านอยู่วัดไหนวันหน้าวันหลังผมจะได้ไปกราบท่านผมก็รบนับถือท่านมากหากไม่ได้ท่านผมคงยังไม่เข้าใจพระพุทธศาสนายังเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดผิดต่อไป ผมถือว่าท่านมีบุญคุณต่อผมมากที่ทําให้ผมได้ดวงตาเห็นธรรมว่าอะไรนะพระบัวเหียวนะหรือที่ช่วยทําให้โยมได้ดวงตาเห็นธรรมท่านพระครูคิดว่าฟังผิดเพราะการได้ดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักสุนั้นหมายถึงการเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำและเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างสูงครับ ผมได้ดวงตาเห็นธรรมหรือที่เรียกว่าได้ธรรมจักสุเพราะท่านอาจารย์บุเฮียวเขายืนยันด้วยการพูดย้ำพระบุเฮียวท่านบอกโยมหรือท่านคิดว่าพระบุยเฮียวไม่น่าทำเช่นนี้เพราะมิใช่วิสัยของอริยะบุคคลที่จะทำท่านไม่ได้บอกหรอกครับพ่อเลี้ยงตอบท่านพระครูรู้สึกโล่งอกที่ได้ยิน พระนั่นย่มแสดงว่าพระบัวเหียวเป็นผู้บริสุทธิ์ในแง่ที่ไม่ได้อวดอุตริมนุสธรรมแม้มีในตนและโยมรู้ได้อย่างไรว่าโยมได้ดวงตาเห็นธรรมผมรู้ได้ด้วยตนเองครับคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติกรรมฐานกับท่านอาจารย์บัวเหียวผมก็เข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนและผมก็กลับเนื้อกลับตัวได้ เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนแย่มากๆทั้งสุรานารีพาชีกิลาปัตผมเจนจบหมดแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วครับมันเกิดปัญญารู้ขึ้นมาเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีไม่ควรเอาตัวเข้าไปเกลือกกลัวเพราะรังแต่จะทำให้ชีวิตต้องเศร้าหมองตกอับนี่หละครับผมจึงชื่อว่าผมได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งถ้าไม่มีท่านอาจารย์บัเฮีย ผมก็คงไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ท่านพระครูฟังแล้วก็รู้สึกโล่งอกจึงทําหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการบอกเขาว่าที่โยมพูดมาทั้งหมดนี้อัตมาขอแสดงความยินดีด้วยแต่ขอสักนิดคือขอว่าโยามอย่าใช้คําว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้ธรรมจักษุเพราะการพูดเช่นนั้นแสดงว่าโยามเป็นพระอริยบุคคล คือเป็นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีหรือเป็นพระอนาคามีโยมยังไม่ได้กระมังพ่อเลี้ยงรีปฏิเสธว่ายังครับหลวงพ่อยังอีกไกลลี้ิ้วผมเพียงแต่อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องกว่าแต่ก่อนและก็สามารถทิ้งความชั่วได้หลายอย่างแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระโสดาบันหรอกครับ ยังไม่ถึงโซดาเอาแค่โซดีก่อนดีแล้วเป็นโซดีก่อนส่วนโซดาค่อยว่ากันทีหลังแสดงว่ายโยมเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องอย่างที่พูดมาคนเดียวนี้ยังไม่เข้าใจอีกมากบางคนศีลห้ายังรักษาไม่ได้ครบทุกข้อก็ประกาศตัวว่าเป็นพระโซดาบารรู้สึกเป็นง่ายเหลือเกินแต่อาตมาไม่เชื่อหรอก โซดาแบบนั้นไม่เชื่อก็ยังไม่ผ่านโซดีจะไปเป็นโซดาได้อย่างไรโยมว่าจริงไหมจริงครับหลวงพ่อต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างผมนี่เป็นโซดีก่อนแล้วค่อยเป็นโซดาอีกนานไหมครับหลวงพ่อกว่าผมจะได้เป็นโซดาเขาถาม ไม่ได้หรอกเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังคือเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนผู้อื่นรู้ด้วยไม่ได้เหมือนรสอาหารผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะรู้ผู้ไม่ได้บริโภคจะพลอยรู้รสด้วยไม่ได้เลขครับถ้าอย่างนั้นผมจะทําอย่างไรจึงจะได้เป็นโสดาเร็วๆอย่าไปอยากเป็นถ้าอยากเป็นจะไม่ได้เป็น ขอให้โยมปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานไปเรื่อยๆต้องให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไปบังคับบัญชาไม่ได้เอาละในเมื่อพระโบเฮียวไปไม่ได้โยมจะนิมนต์ไปสองรูปหรือว่าจะให้หารูปอื่นไปแทนท่านวกกลับมาพูดเรื่องการนิมนต์พระสงฆ์ให้รูปอื่นไปแทนก็ได้ครับเพราะผมนิมนต์พระทางโน้นไว้หกรูปแล้ว เจนิมนพระวัดป่ามะม่วงสามรูปโยมตั้งใจจะนิมนรูปไหนเจาะจงหรือเปล่าผมเจาะจงมาสามรูปแต่เมื่อได้เพียงสองก็เลยขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยนิมนต์ให้ผมอีกรูปหนึ่งหลวงพ่อช่วยนิมนต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเป็นพระบวทใหม่จะขัดข้องไหมไม่ขัดข้องครับแล้วแต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรแต่อย่างนั้น อาตมาจจนิมนพระขุนทองก็แล้วกันโยมจำพระขุนทองได้ไหมเพิ่งบวชได้สองวันพระผมรู้สึกคุ้นชื่อจังคงไม่ใช่ที่กระตุ้งกระติ้งนะครับเขาหมายถึงนายขุนทองคนเก่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่หรือจะว่าใช่ก็ใช่หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเขาไม่ใช่ในายขุนทองที่กระตุ้งกระติ้ง แต่ว่าเป็นขุนทองที่เคร่งเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่โยมเคยเห็นเขามีท่าทางกระตุ้งกระติงนั่นแหละพูดให้เข้าใจง่ายก็คือนายุ้ณทองเขาบวชแล้วตั้งแต่บวชก็กลายเป็นผู้ชายอกสามซอกไม่มีท่าทางแบบเดิมๆอีกได้ฟังดังนั้นพ่อเลี้ยงวัยสี่สิบก็ยกมือขึ้นสาธุ สาธุแช่างมีบุญเลอะเกินนี่คงเป็นอนิสงของการบวชใช่ไหมครับสมภารวัดปามะม่วงตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นตกลงโยมนิมน์พระขุนทองนะเรียบร้อยแล้วจะได้ออกเดินทางกันเลยเมื่อพระพิสุ3ามรูปเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยแล้วข้อเลี้ยงซึ่งนั่งหน้าคู่กับคนขับก็สั่งให้ อ, อกรถ พระขุนทองรู้สึกดีใจที่ได้ออกงานเป็นครั้งแรกแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการดีใจให้ปรากฏด้วยตั้งปณิธานแน่วแน่จะสำรวมระวังให้มากที่สุดดังนั้นท่านจึงนั่งนิ่งฟังท่านพระครูกับพ่อเลี้ยงเมืองลำพูนสนทนากันโยมหน้าเจนิมลล่วงหน้าเกิดอาตมาไม่อยู่โยมจะว่าอย่างไรท่านพระครูพูดทํานองต่อว่านิดนิด ผมรู้นี่ครับว่าหลวงพ่อต้องอยู่โยมรู้ได้อย่างไรละ่ะหรือว่าโยมได้เห็นหนาผมยังไม่ได้เห็นหนาครับแต่ถึงจะไม่ได้ผมก็สามารถเห็นได้โดยไม่ต้องมีหนาโยมเห็นได้อย่างไรผมมีวิธีครับคือผมอธิษฐานจิตและก็เดินจงกรมนั่งกรรมฐานอย่างละหนึ่งชั่วโมงปฏิบัติอย่างนี้วันละสองรอบเป็นเวลาเจ็ดวัน แล้วก็สําเร็จดังที่อธิษฐานทุกครั้งยังไม่มีครั้งไหนที่ไม่สําเร็จจริงๆนะครับเขายา้าโยมทำมากี่ครั้งแล้วจําไม่ได้ครับแต่ครั้งนี้อาตมาคิดว่าสําเร็จไม่เต็มร้อยเพราะพระโวเวยวไม่ได้มาเรียกว่าสําเร็จแค่สองไม่สาเร็จหนึ่งท่านลัครูพยายามหาข้อบกพร่องให้พบแต่ผมคิดว่าสําเร็จเต็มร้อยครับ เพราะตอนอธิษฐานจิตผมขอให้พบหลวงพ่อและขอให้หลวงพ่อว่างมางานผมได้ซึ่งหลวงพ่อก็ว่างและก็มาได้จริงๆส่วนท่านพระมหาและพระอาจารย์บัวเฮียวผมไม่ได้อธิษฐานจิตไว้จึงถือว่าสําเร็จเต็มร้อยออกเกินร้อยด้ยซ้ำเพราะผมไม่ได้อธิษฐานจิตถึงหลวงพี่ขุนทองเพราะไม่ทราบว่าท่านบวช ขนาดไม่ได้อธิษฐานก็ยังได้ท่านมาด้วยผมดีใจมากเลยครับเขาพูดด้วยท่าทางที่ดีใจจริงๆหากเป็นนายขุนทองคนเก่าก็คงจะต้องกรีดไปแล้วแต่นี่เป็นหลวงพี่ขุนทองจึงต้องสำรวมอินทรีย์เพื่อที่จะสร้างความดีให้ปรากฏ